ในเรื่องที่สองเนะคัคควิสานสูตรคาถาที่สองก็เรื่องที่สองพระประเจกพุทธเจ้าองค์ที่สองว่าพระประเจกโพธิสัตว์แม้นั้นท่านทําสมณะธรรมโดยนัยก่อนนั่นแลในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะตลอดสองหมื่นปีโอ้ยทำบุญมากเหลือเกินนะกระแสบุญเนี่ยไลหลไปสองหมื่นปีนะของเราให้มันได้สักเอาเลขศูนย์ออกสองตัวก็ได้ออกสามเลยเออ พอได้นะปลาเป็นสีเอาเลขศูนย์ออกสามตัวเลย <g ül> เหลือยี่สิปีเั็างเดียวนะนสรุปว่าในที่สุดก็ทากสินบริกรรมทากสินคือปฐวีกสินเป็นต้นยังปฐมมาชานให้เกิดกำหนดนามรูปพิจารณาสังขารทั้งหลายก็ไม่บรรลุอริยมรรคเสร็จแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกอยู่ในพรหมโลกปฐมชานภูมิเนี่ยนะ ใช่แล้วก็จุเตจจากพรหมโลกมาเกิดในคันของพระอัครมหิสีพระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อให้เจริญเติบโตโดยนิยก่อนนั่นเทียวจำเดิมแต่นั้นพระองค์ก็ไม่รู้ความแปลกกันวันนี้สตรีนี้บุรุษไม่รู้จักว่าชายเป็นยังไงหญิงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในมือของสตรีทั้งหลายย่อมไม่อดทนแม้ศักว่าการอบการอาบการประดับเป็นต้น บรุษทั้งทั้งหลายเท่านั้นเลี้ยงดูพระราชกุมารนั้นในเวลาให้สวยน้ํานมพวกนางนมทั้งหลายก็จะแปลงแปลงร่างนะแปลงกายเสือ้อแปลงเพศเป็นบุรุษให้สวยน้ํานมก็รู้จักแต่ผู้ชายอย่างเดียวไม่รู้จักผู้หญิงไม่ชอบเห็นผู้หญิงรขาบอกงั้นพระกุมารนั้นสูตรกลิ่นของสตรีทั้งหลายก็จะลุกขึ้นกันแสงร้องไห้อย่างเดียวถ้าได้กลิ่นแต่งแต่งตัวของผู้หญิงมาเมื่อไหร่ร้องไห้เลยมาจากโพรหมโลกงอแ ง, งจังนะเลี้ยงยาก ไม่รอกเขา ม, มีคุณธรรมเหมือนกันแม้แต่บรรลุนิิภาวะก็อายุสิบปีก็ไม่ปรารถนาจะแตะต้องสตรีทั้งหลายบรรพยาทั้งหลายก็เลยเรียกว่า อ, อนิิคออันธ ะ, นะนนะแปลว่าไม่สนใจกลิ่นหญิงเลยไม่ชอบกลิ่นหญิงไม่เคยได้กลิ่นหญิงเลยเหมือนกันพระกุมารนั้นมีพรรษาได้ส6พรรษาพระราชาก็คิดว่าเราจะให้กุมารนี้ดำรงอยู่ในวงตระกูล ก็เลยนำนางราชกัญญาอันสมควรแก่พระกุมาร น, นั้นมาจากตระกูลต่างๆสั่งอมาตย์คนหนึ่งว่าเจ้าจงให้กุมารยินดีอมาตย์มีความประสงค์เพื่อจะให้กุมาร น, นั้นส่งยินดีด้วยอุบายทั้งหลายได้กั้นม่านเอาไว้ในที่ไม่ไกลจากพระกุมาร น, นั้นให้นักฟ้อนทั้งหลายประเล้าประโลมกุมารเนี่ยฟังเสียงที่ขับร้องและประโคมจึงตรัสว่านั่นเสียงใครอมาตก็บอกว่าข้าแต่สมมุติเทพนั่นเป็นเสียงนักฟ้อนทั้งหลายของพระองค์ ผู้มีบุญทั้งหลายย่อมมีนักฟ้อนทั้งหลายเช่นนี้พระเจ้าค่าั้ น, นคนมีบุญก็กมอีอะไรนะนักร้องประจําอย่างนี้เลยข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทศพระองค์ทรงมีบุญมากขอพระองค์ทรงอภิรมยินดีอย่างยิ่งเถอะอภิรม์เนี่ยรา ม, มะแปลว่ายินดีอภีแปลว่าอย่างยิ่งว่างั้ น, นให้ดียิ่งกุมารก็เลยเตรียมอัดนั้นด้วยท่อนไม้ไล่ไปไปเถอะไปเถอะมัต้องอยู่แล้วว่างั้น อา ม, มาตก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาก็สั่งอา ม, มาตอีกว่าเจ้าจงไปพร้อมกับพระมารดาของพระกุมารเอาแม่เข้าไปด้วยสิแบบนั้นก็เลยให้พระกุมารยินดีกุมาร น, นั้นถูกคนเหล่านั้นเบียดเบียนบีบคั้นอยู่อย่างยิ่งก็ประทานทองคําอันประเสริฐเอาทองคํามาแล้วก็ช่างสั่งพวกช่างทองบอกว่าท่านทั้งหลายจงทํารูปสตรีให้งามเอ า, เอาทองเนี่ยแต่งเป็นรูปปั้นสตรีเลย ช่างทองเหล่านั้นก็ได้ทำรูปสตรีซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเช่นกับพระวิศนุกรรมเทพพระบุตรเนรมิตเนี่ยนะเสร็จแล้วก็แสดงพระกุมารพระกุมารพอเห็นแล้วก็สั่นพระเสียรสายหัวสายหัวแขกเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าชอบนะสายหัวใหญ่เลยนะแปลว่าชอบมากโอ้งามจังลนะแล้วก็ด้วยความอัศจรรย์ก็ส่งไปแก่หาพระมารดาพระบิดาตรัสว่า ถ้าม่อมฉันได้สตรีเช่นนี้ก็ยอมรับนะถ้าได้สวยเท่านี้ก็แต่งหมานกันเถอะพระมารดาบิดาก็คิดว่าบุตรของเรานี้มีบุญมากนางธาริกาบางคนได้เคยทำบุญร่วมกับบุตรนั้นจะเกิดแล้วในโลกแน่แท้ก็เลยยกรูปทองคำนั้นขึ้นสู่รถสั่งแกอัมมายทั้งหลายว่าเชิญเถิดท่านปรารถนาเที่ยวสแสวงหาธาริกาที่งดงามเหมือนกับรูปเปรียบทองคานี้เถอ อาหมาเหล่านั้นก็ไปสู่มหาชนบท16แห่งไปสู่บ้านตะนั้นๆประชุมชนอยู่ในที่ใดมีท่าน้ำเป็นต้นก็ตั้งรูปทองคำดุจเทวดาเอาไว้ในที่นั้นนั้นทำการบูชาด้วยดอกไม้เครื่องอลังการนานาชนิดผูกเพดานแล้วก็ยืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งคิดว่าถ้าจากมีใครเคยเห็นเคยได้ยินสตรีซึ่งมีรูปงามเห็นป่านนี้สเขาจะพูดขึ้น เอาไปตั้งไว้ในที่สาธารณะเนี่ยนะคนจะได้ดูที่มีใครพูดถึงว่ามีคนงามแบบนี้หรือเปล่าเที่ยวไปสู่ชนบททั้งปวงโดยอุบายนั้นไปเว้นแต่มัธยรัฐเพราะดูแคลนไปเมืองมัธรรัฐนี่มันเมืองเล็กเมืองน้อยคงไม่มีสาวงามหรอกอยงนั้นไปเที่ยวแต่เมืองใหญ่ๆเที่ยวไปทั่วไม่ไปมัธยรัฐแล้วก็กลับอมหาศึกก็เลยคิดว่าก่อนจะกลับเนี่ยนะไปมาทุกรัฐหมดเว้นมัธรรัฐจริงมัธยระเทศเขาไม่รู้ว่ารัฐสาวงามว่าไง อะไรนะรัฐเนี่ยแม่ของพระเวสสันดรก็อยู่รัฐนี้นะพนางมัตซีเป็นต้นหรือพนางมัตซีนี่อยู่มัธรัฐแล้วก็พนางอะไรนะพนางมเหสีของพระเวสสันดรนอะ่ะพนางมัตซีนะ่ะมัตซีก็ชาวมัธรัตเหมือนกันส ร, รวัมอามาตก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไปแล้วไปมัธรัฐก่อนก็ได้เดี๋ยวพระราชาจะถามว่าไม่ได้ไปรัฐเดียวเนี่ยนะ ขอพระราชาอย่าได้ส่งพวกเราสู่กรงพาราณสีอีกก็เลยไปสู่สาคละนะครในมัทรัฐในสาคละนะครนี้มีพระราชานามว่ามัททวะพระธิดาของพระเจ้ามัททวะนั้นมีพระชันษาได้16ปีมีพระรูปโฉมสวยงามยิ่งนักและก็ผิวของนางาและนางวันณาทาสีของพระธิดานั้นวรนนาทาสีแปลว่าสาวใช้คนสวย น, นะ ก็ไปสู่ท่าน้ําเพื่อประโยชน์แก่ตักน้ําเห็นรูปทองคํานั้นซึ่งอมตะทั้งหลายแต่งตั้งเอาไว้ในที่นั้นแต่ไกลก็เลยพูดว่าพระราชบุตรีเนี่ยท่านางส่งพวกเราเพื่อประโยชน์แก่น้ําแล้วพระองค์ก็มาเสียเองแล้วก็เลยพูดว่าเอ๊ะสตรีนี้ไม่ใช่เจ้านายของพวกเราเจ้านายของพวกเราสวยยิ่งกว่าสตรีรูปปั้นนี้อีกเหมนกันอมตะฟังแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลขอธาริกาแล้วนะในาน้ำทูดพิเศษขอเลย ขอโดยสมควรแก่พระราชานั้นพระราชาก็ทรงพระราชทานอ น, นะอนุญาตให้นะก็คือเมืองพราณสีนีเน่เป็นเมืองยิ่งใหญ่มากเพราะมัธรัฐนี้ยังไงก็ต้องต้องอนุญาตะนะเพราะเมืองใหญ่มาขอเมืองน้อยเนี่ยยังไงมันก็ต้องอนุญาตเพราะถ้าไม่อนุญาตเนี่สงครามแน่ก็เลยยังไงเขาเรียกว่าตามธรรมเนียมนี่ก็ต้องยกให้จากนั้นอมาราก็กราบทูลส่งข่าวให้แก่พระเจ้าพรารณสีว่า ได้นางทาริกาแลว้วพระองค์จักเสด็จมาเองหรือว่าพวกพระองค์พวกข้าพระองค์จักนํานางทาริกานั้นไปแปลว่าหญิงสาวนะหญิงสาวนี้พระองค์จะมารับเองหรือว่าให้ทางนี้ส่งไปพระองค์ก็พระราชาก็ส่งข่าวว่าเมื่อเราไปจกเป็นการเบียดเบียนชนบทเพราะว่าเวลาเดินทางนประชาชนเดือดร้อนเท่าไหร่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านก็ น, นําเอาธาริกาหญิงสาวนั้นมาก่็แล้วกันอํามร์ก็พาธาริกาออกจากพระนคร ส่งข่าวไปถวายพระกุมารว่าทาริกาเช่นกับรูปทองคําได้แล้วนะได้สาวงามอย่างที่พระผมต้องการแล้วกุมารฟังคํานั้นก็ถูกราคาครอบงํำเสื่อมจากปฐมฌานเลยตัวเองนี่เคยได้ฌานมาจริงๆไอชาตินี้ที่ไม่แต่ต้องหญิงก็ได้ฌานอยู่แล้วใช่ไพอได้ฟังข่าวสาวงามที่ตัวเองแบบแกล้งนะเอาเกิดมีงามเท่างามจริงเนี่ยก็เลยเสื่อมฌานเลยกุมารก็เลยส่งทูตว่าพวกท่านจงนํามาเร็วไปเอามาเร็วๆเขางั้นนะ พอใจนี่คิดถึงเต็มที่แล้วชานเสื่อมแล้วนี่ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ว่านึกถึงแต่ความงามอย่างเดียวอามาตเหล่านั้นพอถึงกรุงพารันศีก็พักคืนเดียวเท่านั้นในที่ทั้งปวงคือคืออามาตย์เนี่ยนะอยากจะเอาใจพระ ก, กุมารมากเพราะถ้าสําเร็จนี่รางวัลงามก็เลยรีบเร่งเอามาเลยเดินทางรถม้าโบราณเนี่ยนะก็คืนแล้วไม่ค้างคืนที่ไหนสองคืนเลยเมื่อที่ไหนนอนนอนเช้ามารีบมารีบเดินทาง ก็คืนเดียวมาหลายคืนด้วยกันเนี่ยนะบอบนางบอบบางมากตกคืนนั้นมาอยู่ภายนอกพระนครมาถึงเกือบเข้าเมืองแล้วเหมนกนก็เลยถวายสารแก่พระราชาว่าพึ่งเข้าไปวันนี้หรือไม่นะให้ส่งตัวเข้าวังวันนี้หรือว่ายังไงพระราชาบอกว่าเรานำนางธาริกามาจากตระกูลประเสริฐสุดคือราชตระกูลเนี่ยนะทำมงคลกิริยาแล้วจักให้เข้ามาด้วยสการะอันให ญ, ญ่ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนำนางธาริกานั้นไปสู่อุทยานก่อนอให้ไปพักในสวนก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องจัดประเพณีให้มันยิ่งใหญ่เหมอนกอมาร์ตก็ทําตามพระราชองค์การนางธาริกานั้นปกติก็ละเอียดอ่อนแล้วก็บอบบางอย่างยิ่งเดินทางเนี่ยนะตลอดเนี่ยบอบช้าแล้วก็ร่างกายก็กระทบกระแทกแห่งยานะนะทางมันแบบไม่ได้ซุปเปอร์ไฮเวย์แบบบ้านเราสมัยนี้ใช่ไหมก็เลยกระทบกระเทือนมากโรคลมก็เกิดขึ้น เพราะความเมื่อยล้าจากเดินทางไกลและไม่มีคนนวดก็ทำการละเสียในคืนนั่นเองนะตายเลยเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งไปฉะนั้นอ ม, มาต์ก็ร้องให้เลยนะอ ม, มาร์บอกเราชีพหายจากลาบสักการะแล้วเนี่ยนะหมดเลยหมดเลยนะนะอุตสาห์ไปทำงานนี้หวังจะได้รางวัลก้อนโตโอดเลยร้องให้ใหญ่เลยนะเสียไม่ได้เสียใจเพราะหญิงสาวตายอะไรหรอกตัวเองเสื่อมจากลาบก็เลยเสียใจ ชาวนครก็เลยเสียอกเสียใจร้องให้คร่ำครวญว่าตระกูลบงเราพินาฏแล้วความวุ่นวายใหญ่ได้มีแล้ว น, นายพระนครพระกุมารนั้นพอได้ฟังเท่านั้นก็เกิดความเศร้าโศกอย่างยิ่งใหญ่เกิดมาไม่เคยเสียใจเลยนะมาเสียอกเสียใจอย่างแรงจากนั้นกุมารนั้นปรารบเพื่อจะขุดรากแห่งความเศร้าโศกไอความที่สะสมวิปัสนาสะสมปัญญามาม า, มากเนี่ยนะความโศกอันนี้เกิดมาจากไหนเดี๋ยวจะขุดรากมันทิ้งซะ จะได้เลิกดอกโศกก็เลิกบานสัทีกันดอกโศกแสดงว่าทั้งบานทั้งร่วงเยอะแยะไปหมดเลยนะพระองค์ก็เลยคิดว่าธรรมดาความโศกนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดที่เราเกิดนี่นะเราจึงโศกกะปริเทวทุกตโตมนัตและอุปายาตถ้าเราไม่เกิดจะมีโศกกะปริเทวทุกตโทมนัตและอุปายาตไหมไม่มีพันธ์ความโศกนี้เป็นผลของชาติชราและ มรณะเพราะเกิดแท้ๆจึงมีโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตใครเคยเสียใจไห ม, ไมเคยเพราะเกิดแท้ๆเลยจึงโศกแบบนี้เนี่ยนะอนึกอาศัยฟังธรรมแล้วก็นึกอย่างนี้บ่อยๆก็แล้วกันนะพอเรื่องรับเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยก็ บ, บอกนี่เพราะเกิดแท้ๆจึงเสียใจถ้าไม่เกิดนี่ไม่ต้องมานั่งโศกแบบนี้หรอกนี่ยนะนะ